ประตุ้นเตือนในการปฏิบัติด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของเหล่าสพัพพสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวที่เบตองค์พระมันชุรีได้ส่งอวตารลงมาเป็นกษัตริย์ตรีซองดอยเซนท่านผู้เป็นทั้งพระมหาโพธิสัตว์และพระธรรมราชาด้วยปณิธานที่จะสร้างวัดแซงเยแซงเยหมายถึง การบรรลุผลอันเกิดขึ้นเองของความปรารถนาอันไม่มีประมาณและด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่และประกาศพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนที่เบตท่านได้ทรงอัญเชิญพระโพธิสัตว์ลออคลให้เสด็จมาและตัวท่านเองก็ได้ตั้งสัตว์อธิษฐานโพธิจิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องอาศัยแรงบันดาลใจจากทัศนะอันถูกต้องแห่งความรู้แจ้งของโพธิจิตและเพื่อที่จะแสดงถึงความสมบูรณ์พร้อมและการบรรลุหลุดพ้นของโพธิจิตท่านจึงได้อัญเชิญท่านคูรู ป, ปัตถมาสัมภาวะคุรุผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองอุทิยานมาเพื่อเป็นเกียรติและประกอบพิธีมนตราพิเศษ และเพื่อวางรากฐานการปฏิบัติเพื่อการบรรลุผลสู่ธรรมอันสมบูรณ์สูงสุดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อการทำให้บังเกิดผลท่านยังได้เชิญท่านบัณฑิตวิมาลามิตรามาเพื่อหมุนกงล้อแห่งเหตุและผลแห่งธรรมเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์อันสูงสุด และคำสอนที่สมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วในตัวเองของกายวาจาใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นท่านได้สร้างวัดแสงเยที่ยิ่งใหญ่และสง่างามเพื่อรักษาพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และสิ่งมีค่าทั้งหลายไว้ด้วยเหตุที่ท่านมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศที่เบตยอย่างยิ่งจึงเป็นเหตุให้การศึกษาปฏิบัต ทั้งทางด้านพระสูตและตัณระส่องสว่างไปทั่วดินแดนแห่งนี้ดุจ ด, ดวงตะวันยามเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์วิทยาธาราผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักกันในนามปัทธมสัมภาวะองค์อวตารอันประเสริฐแห่งกายทั้งสามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาที่เบรกก็ด้วยพลังแห่งความเมตตากรุณา และความมุ่งมั่นทุ่มเทพเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของท่านซึ่งตลอดเวลาที่ท่านพำนักอยู่ในทิเบตท่านครูปัตมะสัมภาวะได้เมตตาสั่งสอนพระราชาและลูกศิษย์คนสำคัญและผู้โชคดีมากมายด้วยคำสอนอันลึกซึ้งและกว้างขวางเพื่อการพัฒนาตนให้สมบูรณ์ และเพื่อการบรรลุสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นท่ามกลางคำสอนอันมากมายที่ท่านได้ให้ไว้แก่ฉันโซเกียวแห่งคาเชนฉันจึงได้รวบรวมและบันทึกไว้ด้วยความหมายที่ง่ายแก่การเข้าใจอันเป็นสิ่งที่จะคอยกระตุ้นให้พวกเราได้ทุ่มเทเพื่อการปฏิบัติให้มากขึ้นพระบรมครูสอนว่า โอกาสทองของการเกิดมาเป็นมนุษย์โซกิย so วจงปฏิบัติตามคำสอนที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัตเธอเพราะหากเธอไม่ทำเช่นนั้นมันเป็นการยากมากที่เธอจะมีโอกาสได้กายที่เป็นอิสระและมีความพร้อมบริบูรณ์เช่นนี้อีก มันเป็นการยากแค่ไหนที่จะได้ร่างกายมนุษย์เช่นนี้มันยากพอๆกับการปาเมล็ดถั่วให้ติดแน่นกับผนังกำแพงวัดมันยากพอๆกับเต่าน้อยที่จะโผล่หัวผ่านห่วงเล็กๆที่ลอยอยู่กลางทะเลมันยากพอๆกับการที่จะโยนเมล็ดมัสตาร์ดให้ผ่านรูเข็มที่ปักอยู่ เหตุที่มันยากเย็นถึงเพียงนี้ก็เพราะหากเปรียบสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิทั้งหกนั้นเหมือนกับกองมเมล็ดข้าวเปลือกสัตว์นรกเปรตและสัตว์เดรัจฉานจะอยู่ส่วนครึ่งล่างส่วนครึ่งคนครึ่งเทวดาจะอยู่ส่วนครึ่งบนพวกเทพและมนุษย์เป็นเพียงส่วนยอดปลายเล็กๆของกองเท่านั้นเมื่อเทียบกับภพบภูมิอื่นๆ มันจึงเป็นการยากมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เธอลองพยายามนับจำนวนสรรพชีวิตในภพภูมิทั้งหดูสิโซเกียวแม้ว่าเธอจะผ่านความยากลำบากอันยิ่งยวดและได้เกิดมาในร่างกายของมนุษย์อันเนื่องมาจากบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในอดีต มันยังเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะฝึกปฏิบัติธรรมหากเธอมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เช่นเป็นใบตาบอดหรือหูหนวกหากเธอไปเกิดในดินแดนที่ล้าหลังไม่มีความเจริญที่ธรรมะเข้าไม่ถึงเธอก็จะหมดโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมหรือหากเธอเกิดในครอบครัวของพวกอุดเชตที่ิ ซึ่งมีความเชื่อที่ผิดนอกเรียดอันสุดโตเธอก็จะไม่มีโอกาสเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยบัดนี้เราได้เกิดในตอนใต้ของชมพูทวีปดินแดนซีวิไลที่มีพุทธธรรมอยู่เรามีสิ่งที่ยากยิ่งที่จะมีได้คือกายมนุษย์อันประเสริฐและในขณะเดียวกัน อายตนะของเราก็สามารถรับรู้ได้ดีเราได้พบครูบาอาจารย์ผู้เลิศมีอำนาจที่จะตัดสินใจเลือกว่าเราต้องการจะทำอะไรสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถฝึกปฏิบัติในธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และได้เข้ามาสัมพันธ์กับคณะพระสงฆ์หากในโอกาสอันดีเช่นนี้ เราไม่ได้ใช้พระธรรมอันนำไปสู่การรู้แจ้งหลุดพ้นความเป็นมนุษย์อันสรงค่า ย, ยิ่งนี้ก็สูญเปล่ายิ่งนักอย่าปล่อยให้โอกาสสูญเปล่าจงอย่ากลับไปมือเปล่าเมื่อเธอได้มาถึงเกาะมหาสมบัติอย่าอ้อยอิ่งวนเวียนอยู่กับแค่ความหิว ในเมื่อเธอพบสมบัติอันล้ำค่าเราจะต้องรีบข้ามมหาสมุทรในขณะที่เรามีเรือใหญ่จงอย่าปล่อยให้เรือแห่งกายมนุษย์นี้หลุดลอยไปตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกแยะสังสารวัจากนิพพานจงทุ่มเทตนเองให้สนุกกับการปฏิบัติ ตอนนี้คือจุดแบ่งแยกระหว่างความสุขกับความทุกข์ทรมานจงอย่าพาตัวเองไปสู่ความหายนะเลยตอนนี้คือจุดที่ทางขึ้นสูงและลงต่ำได้แยกจากกันจงอย่าได้กระโดดลงเหวแห่งภพภูมิต่ำเลยตอนนี้คือเวลาที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างว่าเธอฉลาดหรือโง่ อย่ามัวแต่พูดไรสาระร่วยเปื่อ ย, ยหรือยืนงงอยู่ตอนนี้คือเวลาที่จะสร้างสมบุญกุศลอันไม่มีวันหมดจงอย่าทําตัวเองให้ยุ่งวุ่นวายและจากไปมือเล่าวเลยตอนนี้คือเวลาที่จะพิสูจน์ว่าใครสูงส่งหรือต่าต้อยจงอย่าได้สแสวงหาความรู้แจ้งเพื่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียง ตอนนี้คือเวลาที่จะมองเห็นว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่วจงละทิ้งความติดใจยินดีในโลกเสียเวลาปัจจุบันขณะนั้นเทียบได้กับอาหารแค่มื้อเดียวกับเวลาหนึ่งวันจงอย่าทำราวกับว่าเธอมีเวลาเหลือเฟือตอนนี้เป็นเวลาที่มารแห่งความเกลียดคร้านจะมีอิทธิพลกับเธอ จงทุ่มเทให้สนุกกับการปฏิบตัติตอนนี้คือเวลาที่ความภาคเพียรเพียงหนึ่งปีจะนำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตจงมั่นคงอยู่ในการปฏิบัติธรรมเถิดฉันรู้สึกสลดสังเวชใจเสมอกับผู้ที่ละทิ้งชีวิตนี้ไปอย่างมือเปล่า ความจริงของชีวิตโซเกีย so วเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายมนุษย์ที่ได้มาด้วยความยากลําบากยิ่งนี้จะตายวันตายพรุ่งอย่ามัวคิดวางแผนราวกับว่าเราจะอยู่ค้ำฟ้าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าร่างกายนี้ที่กู้ยืมมาจากธาตุทั้งสี่จะแตกสลายไปเมื่อไหร่ อย่าหลงให้ข้ามันนักเลยการเกิดนั้นไม่ได้นำไปสู่อะไรอื่นนอกจากความตายจงตั้งเป้าหมายที่จะฝึกตนเองให้อยู่ในธรรมชาติอันไร้การเกิดเธอการพบกันนั้นไม่ได้นำไปสู่อะไรอื่นนอกจากการจากกาันดังนั้นจงตัดการยึดติดในสัมพันธภาพทั้งหลายเสีย การเก็บสะสมย่อมไม่นำไปสู่อะไรอื่นนอกจากการสูญเสียดังนั้นจงบริจาคทานโดยไม่ยึดติดการก่อสร้างย่อมไม่นำไปสู่อะไรอื่นนอกจากการถูกทำลายดังนั้นจงปฏิบัติอยู่ตามถ้ำและป่าเขาเถอ ปัญหาและความมักใหญ่ไฟสูงย่อมไม่นำไปสู่อะไรอื่นนอกจากความเจ็บปวดดังนั้นจงละวางปัญหาเสียประสบการณ์ที่ลวงหลอกย่อมไม่นำไปสู่อะไรอื่นนอกจากความหลงดังนั้นจงทำลายความหมายมั่นโดยความเป็นคู่เสียด้วยการกระทำอย่างนี้เธอจะอยู่อย่างเป็นสุข แต่ใครเล่าจะยอมเชื่อฟังคําแนะนำอันเป็นประโยชน์นี้ความไม่แน่นอนของชีวิตและความตายโซเกีย so วฉันพร่ำบอกสิ่งเหล่านี้กับทุกๆคนแต่ไม่มีใครสนใจทันทีที่มานแห่งความตายจับตัวเธอได้ โอกาสที่จะบรรลุหลุดพ้นก็เป็นอันสูญสิ้นคนที่ไม่ฝึกฝนปฏิบัติจะรู้สึกเสียดายเมื่อความตายมาถึงวันเดือนปีล่วงไปอย่างไม่เคยคอยใครแม้เพียงวินาทีเดียวชีวิตนี้หมดไปหมดไปอย่างไม่เคยหยุดพักแม้เพียงนาทีเดียวแล้วในที่สุดเราก็ตาย ฤดูการยังคงหมุนเวียนสืบเนื่องแต่ชีวิตของเธอจบลงโดยไม่รั้งรอเธอไม่รู้สึกหมดหวังห ร, อหรือเมื่อเห็นว่าความตายคืบคลานเข้ามาทุกขณะเมื่อปีเดือนวันผ่านไปเธอยังมัวพึงพอใจอยู่ได้อย่างไรในเมื่อทุกๆคนต่างตายอย่างไม่คาดหวังและโดยไม่รู้ตัว เธอยังมัวพึงพอใจกับลูกหลานและทรัพย์สมบัติซึ่งมันล้วนไร้ค่าในยามที่เธอตายเธอจะรู้สึกมั่นคงได้อย่างไรเมื่อเธอเอาอะไรติดตัวไปด้วยไม่ได้สักอย่างยกเว้นกรรมดีและกรรมชั่วบุคคลผู้ไม่ยอมตัดขาดความยึดติดในความเป็นตัวตนอันแข็งกร้าว และความเห็นเรื่องความเที่ยงแท้ถาวรเขาช่างไม่มีเหตุผลเสียเหลือเกินใส่ใจในการปฏิบัติโซเกีย so วมันไม่มีทางเลยที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หากเธออยู่ในสภาวะที่ไร้อิสระ และเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการบรรลุหลุดพ้นตอนนี้เรามีสิทธิที่จะเลือกทําในสิ่งที่ตนปรารถนาได้แต่คนกลับบอกว่าตนไม่สามารถใช้ธรรมะได้พวกเขาได้มีกายมนุษย์อันอิสระและสมบูรณ์พร้อมแต่พวกเขากลับบอกว่าไม่มีเวลาจะฝึกปฏิบัติธรรม พวกเขายอมเป็นทาสของอาหารและเสื้อผ้าอย่างเต็มที่ได้ตลอดเวลาแต่พวกเขากลับบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติทําได้แม้เพียงแค่ปีเดียวพวกเขาเหนื่อยยากกับความวุ่นวายของสังสารวัตแต่พวกเขากลับบอกว่าไม่สามารถจะทนกับความลำบากเล็กๆน้อยๆในการปฏิบัติธรรมได้ ในขณะที่พวกเขาสามารถเผชิญกับประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดอย่างไม่เคยหยุดทางโลกแต่พวกเขากลับบอกว่าไม่สามารถหาเวลาแม้แค่ช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวเพื่อการปฏิบัติธรรมอันเป็นสุขคนที่ไม่สนใจธรรมก็เหมือนคนที่ไม่ต้องการความสุขอย่างแท้จริง โซเกียว so มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรจะใส่ใจปฏิบัติธรรมเสียตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเมื่อเธอแก่ชาราลงเธออาจจะอยากฟังธรรมแต่หูของเธอก็ไม่ค่อยจะได้ยินเธออาจจะอยากศึกษาธรรมแต่สมองของเธอก็ทื่อทึบและความจำก็เลือนลางเธออาจจะอยากเดินทางไปปฏิบัติธรรม แต่ร่างกายของเธอก็ไม่สามารถเดินหรือนั่งได้สะดวกเธออาจจะอยากฝึกปฏิบัติแต่พลังของท่าต่างๆก็อ่อนแรงและเธอก็ไม่สามารถจะตั้งมั่นได้เธออาจจะอยากทำทานด้วยทรัพย์สมบัติของเธอเองแต่มันก็ถูกควบคุมโดยคนอื่นเธอไม่ได้ควบคุมมันอีกต่อไป เธออาจจะต้องการฝึกฝนอย่างหนักแต่ร่างกายของเธอก็ไม่สามารถทนรับแรงบีบคันได้ด้วยการทำให้ครูบาอาจารย์และเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันขุนเคืองเมื่อเธอแก่ตัวลงแม้เธอจะอยากปฏิบัติแต่ก็ไม่อาจเป็นไปเมื่อถึงวัยชาราเธอจะคิดว่ารู้อย่างนี้ ฉันน่าจะมีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวเสียตั้งแต่เมื่อยังหนุ่มสาวมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันสายไปเสียแล้วที่จะมาเสียดายที่ไม่ได้ปฏิบัติเสียตั้งแต่เมื่อเธอสามารถทำได้คนที่ไม่รู้สึกสนใจในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเธอไม่ได้ดีไปกว่าคนขาวเลย อุปสรรคเครื่องขวางกัน้นชีวิตคู่คือเครื่องฉุดรั้งโซเกียวเมื่อปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งหลุดพ้นการแต่งงานและมีครอบครัวก็เหมือนการถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนที่เหนียวแน่นที่ไม่มีทางเป็นอิสระเธออาจจะอยากหนีออกมา แต่เธอก็ติดอยู่ในคุกแห่งสังสารวัตอย่างไม่มีทางออกเธออาจจะรู้สึกเสียใจภายหลังแต่เธอก็ติดจมอยู่ในปลักตมแห่งอารมณ์ที่ไม่มีทางออกมาได้หากเธอมีลูกพวกเขาอาจจะน่ารักแต่ก็เป็นเสาหลักที่มัดเธอแน่นไว้กับสังสารวัตรแต่ถ้าเธอไม่มีลูก ความวิตกกังวลที่จะไม่มีคนสืบตระกูลก็กลับทุกข์ยิ่งกว่าหากเธอมีกิจการไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือทำฟาร์มเธอก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะปฏิบัติธรรมแต่หากเธอไม่มีกิจการความเจ็บปวดและดิ้นรนที่จะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกลับยิ่งหนักหน่วงกว่า หากเธอมีคนรับใช้หรือคนงานเธอก็จะต้องวุ่นวายเป็นทาสในการดูแลพวกเขาหากเธอไม่มีพวกเขาการขาดแรงงานก็จะทำให้เธอถูกควบคุมโดยผู้อื่นมันก็ไม่มีอิสระในการปฏิบัติธรรมเช่นกันด้วยหนทางเช่นนี้ชีวิตทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคตของเธอ ก็จะถูกทำลายสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามผู้คนที่แต่งงานและมีครอบครัวย่อมจมอยู่ในปลักตมแห่งความทุกข์หมดโอกาสที่จะบรรลุหลุดพ้นโลกธรรมทั้งหลายคือเครื่องยึดติด โซเกียวความสนุกสนานในโลกนั้นฉาบฉวยอย่างยิ่งแต่หากเธอสามารถปฏิบัติธรรมได้ความสุขของเธอจะคงอยู่ตลอดไปสมบัติในโลกนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปแต่หากเธอสามารถสร้างสมบารมีได้อย่างต่อเนื่องเธอจะเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริง ผู้ที่กระทําชั่วนั้นช่างโง่เขลาแต่ผู้ที่กระทําแต่ความดีนั้นเป็นผู้ฉลาดและมีปัญญาบุคคลผู้ทุ่มเท ต, ตนเพื่อคําสอนอันเป็นแก่นธรรมแท้ช่างน่านับถือแต่ผู้ที่ดิ้นรนสแสวงหาแต่ลาบยศสรรเสริญอันไร้สาระช่างประมาทและไม่น่านับถือลาบและเกียรติ ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความทุกข์ยากผู้ประเสริฐคือผู้ที่บรรลุสู่พุทธภาวะได้ในชาติเดียวบุคคลผู้ยึดติดอยู่ในโลกนั้นยอมไม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระจากสังสารวัตรได้โซกียวอารมณ์อันรบกวนล้วนเกิดจากสิ่งต่างๆที่แวดล้อม ดังนั้นจงละทิ้งดินแดนแห่งความรักและความเกลียดชังเสียเธออุปสรรคทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจวอกแวกวันไหวดังนั้นจงเก็บรักษาคุณรู้ผู้ประเสริฐของเธอไว้ในใจดังเช่นยาความยากจนและความเศร้าโศกเสียใจในชีวิตนี้ล้วนเป็นผลจากกรรมในอดีตดังนั้น จงอยู่ในที่วิเวกปราศจากผู้คนการกระทำผิดทั้งหลายถูกสร้างขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นจงหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ไม่ดีเพราะเธออาจถูกพิษได้ลุมพรางทั้งหลายเกิดมาจากทิฏฐิที่ผิดดังนั้นจงศึกษาและพิจารณาด้วยใจที่เปิดกว้าง ทุกๆคนมีขึ้นมีลงทั้งคนเป็นและคนตายดังนั้นจงอย่าได้ตำหนิผู้ใดเลยไม่ว่าปิติหรือสุขที่เธอได้รับมืวนเกิดจากบุญบา ร, รมีของเธอที่ได้ทำไว้ในอดีตดังนั้นจงอย่าได้หลงภูมิใจไปเลย จงภาคเพียรเพื่อการบรรลุหลุดพ้นในขณะที่เธอมีกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการตกไปสู่ภพภูมิที่ต่ำในสังสารวัตรผู้คนที่ประกอบแต่บาปกรรมจะทนทุกข์ไปนานแสนนานความไร้สาระของทุกสิ่งในสังสารวัต โซเกียว so พูดโดยรวมก็คือความตายของเธอไม่ได้กําหนดเวลามันติดตามเธอมาตั้งแต่วันที่เธอเกิดสถานการณ์ที่เธอจะตายก็ไม่แน่นอนเธอยังคงต้องตายแม้ว่าเธอไม่ตั้งใจที่จะตายความตายไม่เคยทอดทิ้งเธอและต่อให้เธอมีสมบัติล้นฟ้า เธอก็ต้องละทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังสังสารวัตไม่ได้สลายหายไปเมื่อเธอตายเธ อ, อยังต้องท่องเที่ยวไปในภพทั้งสามอีกมันไม่เคยมีความสุขในความมีความเป็นของสังสารวัตรเธอไม่มีวันจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ไม่ว่าเธอจะกลับมาเกิดในภพภูมิไหน เธอเคยเวียนว่ายตายเกิดมามากเท่าไรแล้วในอดีตเจ็บปวดระทมอย่างบอกไม่ถูกและเธอก็ยังคงจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัตต่อไปถูกซัดกระหน่ำด้วยคลื่นแห่งความทุกข์มันจะไม่ดีกว่าหรือที่จะฝึกปฏิบัติธรรมและตัดโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ของเธอเสีย หากเธอไม่ถึงฝั่งด้วยตัวเธอเองเธอก็ไม่สามารถนำพาผู้อื่นออกจากสังสารวัตรได้แต่มันดูเหมือนว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายยังคงติดกับความบันเทิงใจทางโลกและโยนตัวเองกลับเข้าไปในสังสารวัตรครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความมีอิสระและสมบูรณ์พร้อม เธอจงตัดขาดการยึดติดในสังสารวัตเสียแต่ตอนนี้โซเกีย so ว <So girl. S 1> เว้นแต่ว่าเธอจะบรรลุหลุดพ้นเสียแต่ตอนนี้ไม่ว่าเธอจะไปกลับมาเกิดใหม่ในสถานะใดเธอย่อมจมลงไปเรื่อยๆในความทุกข์ทรมานของสรรพสิ่งเว้นเสียแต่ว่าเธอจะปลีกวิเวกอยู่ตามป่าเขา ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดเธอก็ยังอาศัยอยู่ในคุกแห่งสังสารวัฏอยู่ดีเวนเสยแต่ว่าเธอมั่นคงอยู่ในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอก็เพียงสร้างกรรมชั่วสาหรับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเวนเสยแต่ว่าเธอจะขยันสร้างสมบารมีทุกๆสิ่งที่เธอสะสม ล้วนเป็นสมบัติของมารเว้นเสียแต่ว่าเธอจะดำเนินตามรอยผู้รู้ทางจิตวิญญาณของเธอใครก็ตามที่เธอเดินตามล้วนจะนำเธอไปสู่การเวียนว่ายในสังสารวัฏเว้นเสียแต่ว่าเธอจะเชื่อฟังคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ของเธอคนอื่นที่เธอรับฟังล้วนฉุดเธอลงสู่ที่ต่ำ เว้นเสียแต่ว่าคุณธรรมทั้งหลายจะได้บังเกิดขึ้นในชีวิตของเธอเพื่อนฝูงทั้งหลายล้วนเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เกิดการกระทาอันผิดพลาดเว้นเสียแต่ว่าเธอจะแจ้งชัดในธรรมชาติเติมแท้ของจิตความคิดใดๆก็ตามล้วนเป็นเพียงการปรุงแต่งจากความหลงของจิตเว้นเสียแต่ว่า เธอจะควบคุมจิตของเธอเองได้ไม่ว่าเธอจะกระทำอะไรก็ล้วนเป็นการตอกย้ำความหลงเว้นเสียแต่ว่าเธอจะเบื่อหน่ายในสังสารวัตไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ล้วนเป็นมเมล็ดพันธ์แห่งภพภูมิต่าทั้งสิ้นคนที่ไม่เลิกลุ่มหลงในสังสารวัตรจาต้องทุกขทรมานอย่างไม่สิ้นสุด ดำเนินการปฏิบัติสิ่งเกื้อหนุนในการปฏิบัติโซเกีย so วไม่มีอะไรจะช่วยเธอได้เมื่อความตายมาถึงดังนั้นจงทำตามนี้สะสแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งชัดในทางแห่งมหายานรับคำสอนโดยตรงจากท่าน เพื่อการรู้แจ้งในธรรมชาติอันแท้จริงของจิตสแสวงหาและอาศัยอยู่ในที่วิเวกที่ปลอดภัยและมีความส ป, ปายะฝึกปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรเติมเต็มอริยทรัพย์ของเธออย่างไม่เกียจคร้านหรือผัดวันประกันพรุ่งคบหาสมาคมกับกาลยานมิตร ผู้อุทิศตนอย่างจริงจังผู้ขยันหมั่นเพียรและมีปัญญาฝึกปฏิบัติตามคำสอนที่จะนำไปสู่การบรรลุหลุดพ้นจงหลีกเลี่ยงการกระทำชั่วต่างๆอันเปรียบเหมือนยาพิษที่จะนำไปสู่ภพภูมิที่ต่ำจงดำรงอยู่ด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณ ซึ่งคือรากฐานของมหายานเป้าหมายแรกของเธอคือการฝึกในเรื่องความว่างอันปราศจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวงหากเธอไม่ยอมละทิ้งอารมณ์ที่ยั่วยวนทั้งหลายมันเป็นการยากมากที่จะได้รับผลอันใดาจากการปฏิบัติ ตระหนักถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอโซเกีย so ว mm hmm. เธอไม่เคยได้ยินหรือว่า mm hmm. บรรพบุรุษและปู่ย่าตายายของเธอตายจากไป mm hmm. เธอไม่เคยเห็นหรือว่า mm hmm. เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านของเธอก็ตายจากไป mm hmm. เธอไม่เคยสังเกตรหรือว่าญ mm hmm. าติของเธอก็ตายจากไป ไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่มเธอไม่เคยเห็นศพที่ถูกขนไปที่สุสานหรอกหรือแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรที่เธอมองไม่เห็นว่าความตายก็จะมาถึงเธอเหมือนกันหากเธอยังมัวเฉยชาเวลาแห่งการบรรลุหลุดพ้นย่อมไม่มีวันมาถึงรากฐานสำคัญยิ่งของกุศลกรรมทั้งหลาย การตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในใจอยู่เสมอดังนั้นจงอย่าลืมความกลัวตายท่ามกลางความเห็นทั้งหลายความไม่เที่ยงนั้นสำคัญที่สุดดังนั้นจงอย่าห่างจากมันความคิดที่ว่าทุกสิ่งคงอยู่ถาวรคือต้นเหตุของการกระทำผิดทั้งหลาย จงเอามันออกเสียหากเธอไม่มีทัศนคติที่ถูกในใจอย่างแท้จริงความเลวร้ายย่อมก่อตัวขึ้นหลุดขุนเขาเพื่อให้เข้าใจชัดคนทั่วไปไม่สนใจสแสวงหาการบรรลุหลุดพ้นผู้มียศสักสูงได้แต่เย่อหยิ่งและหลงติดอยู่กับตัวตนที่พองโตขึ้น คนรวยก็ถูกมัดตรึงด้วยความโลภผู้หลงก็จมอยู่ในการกระทำชั่วคนเกียจคร้านก็อยู่อย่างไม่สนใจใยดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ชอบวกกลับสู่เรื่องโลกโลกครูบาอาจารย์ก็เฉยใช้ไปตามอำนาจของโลกกระทำทั้งแปด นักภาวนาที่ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรกลับเดินตามเป้าหมายอันไร้สาระของชีวิตทั้งหมดนี้ล้วนเนื่องด้วยการไม่สามารถตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งสู่ใจของตนได้หากความคิดเรื่องความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งได้ซึมซาบอยู่ในจิตใจของเธออย่างแท้จริง คุณธรรมทั้งหลายบนหนทางแห่งความรู้แจ้งจะเพิ่มพูนขึ้นราวกับขุนเขาจงสร้างทัศนคติที่จะปล่อยวางกิจหน้าที่ทั้งปวงจงสร้างทัศนคติที่เห็นเรื่องทางโลกว่าไร้สาระและละทิ้งความไม่มีแก่นสารสาระทั้งหลายของโลกเสียจงเข้าสู่หนทางแห่งความรู้แจ้งหนุดพ้น ด้วยความอาจหารและเด็ดเดี่ยวอย่าได้มัวยึดติดในวัตถุทั้งหลายอยู่เลยอย่าหลงยึดขันห้าว่าเป็นตัวตนของเธอจงเข้าใจเถิดว่าความเพลิดเพลินทั้งหลายนั้นคือมานกามคุณทั้งห้านั้นคือสิ่งลวงหลอกและจงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจงมองให้เห็นเถิดว่าทุกทุกสิ่งในทางโลกล้วนคือศัตรูจงสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่แท้จริงจงหลีกห่างออกจากอากัลยาณมิตรหลีกวิเวกอยู่ตามป่าเขา อย่าโอเอกับการปฏิบัติธรรมรักษาปณิธานและสมายาที่ให้ไว้ให้ดีและน้อมจิตของเธอให้เข้าสู่พระธรรมหากเธอทำเช่นนี้องค์ยิดแดมจะมอบพลังอันพิเศษให้เป็นรางวัลเหล่าเทพธิดาดากินีจะทรงประทานผ่อนให้องค์พุทธะทั้งหลาย จะให้ความมั่นใจแก่เธอและในไม่ช้าเธอจะบรรลุสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นซึ่งผลทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการที่เธอน้อมใจในธรรมแห่งความไม่เที่ยงแท้ถาวรจากอดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพุทธบุตรพุทธธิดา และเหล่าองค์วิทยาธาราและสิทธาทั้งหลายล้วนบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัตรเพราะน้อมใจเข้าสู่ธรรมนี้ทั้งสิ้นและทิ้งความเห็นเรื่องอัตตาตัวตนโซเกียว เธอจะตกลงสู่ภพภูมิที่ต่ำก็เพราะประกอบแต่อกุศุลกรรมทั้งสิดังนั้นจงสำนึกในความผิดพลาดของตนและตั้งสัต์ปฏิยานที่จะไม่กระทำแม้อกุศลอันน้อยนิดกุศลที่ยังตั้งอยู่บนความคิดปรุงแต่งแห่งทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เป็นหนทางแห่งการหลุดพ้น จงให้การปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เธอกระทำนั้นมั่นอยู่ในความไร้แล้วซึ่งทิฐิทั้งปวงกุศลกรรมที่สร้างสมมานับกับยังถูกทำลายไปได้ด้วยความโกรธแม้เพียงชั่วขณะดังนั้นจงฝึกจิตของตนให้อยู่ในความเมตตาการุณาและมุ่งสู่การรู้แจ้งหลุดพ้น เธออาจจะเข้าใจเรื่องความว่างแต่มันจะกลายเป็นความว่างแบบดับศูนหากเธอขาดซึ่งความเมตตากรุณาดังนั้นจงรักษาสมดุลระหว่างความเมตตากรุณาและความว่างให้ดีในทุกๆ ก, กรณีไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นประโยชน์หากเธอไม่ละทิ้งการยึดติดในสิ่งต่างๆ ว่ามีตัวตนที่แท้จริงดังนั้นจงอย่าได้หลงหมายมั่นในประสบการณ์อันลวงหลอกทั้งหลายของเธอว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงโซเกียวเว้นเสียแต่ว่าเธอจะละทิ้งสิ่งทั้งหลายในสังสารวัฏไว้เบื้องหลังโดยทันทีกรรมและอารมณ์ที่รบกวนต่างๆของเธอ ซึ่งเป็นเหตุที่จะทําให้เธอไปเกิดใหม่ในกายสังขารใหม่ซึ่งเป็นผลและทันทีที่เธอเกิดในสภาพนั้นกายนั้นก็จะนํามาซึ่งธรรมชาติแห่งความเจ็บปวดหลังจากเกิดแล้วเธอย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงความแก่และความตายไปได้และทันทีที่ความตายมาถึงก็ไม่มีจุดหมายใดอื่น นอกจากการวนมาเกิดในภพภูมิทั้งหกอีการเกิดใหม่ในสภาพต่างๆนั้นตัณหาและความทุกข์ยากย่อมมีอยู่โดยอัตโนมัติไม่มีทางหลบหนีจากมหาสมุทรแห่งความเจ็บปวดอันเกิดจากการกระทำกรรมอันเป็นผลมาจากพิษทั้งห้าซึ่งโดยสรุป เธอไม่อาจจะหนีพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้เธอต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอย่างไม่มีวันจบสิ้นการจะหนีพ้นได้นั้นเธอจำต้องบังเกิดความแจ้งชัดในความไร้การเกิดของจิตหากเธอไม่สามารถรู้แจ้งในสิ่งนี้เธอย่อมไม่มีวันหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ จงภาคเพียรเพื่อข้ามพนสังสารวัตโซเกียว so โดยความจริงแล้วสังสารวัตนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่สำหรับเธอโดยความเป็นบุคคลจะต้องมีประสบการณ์กับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมันเธออาจจะมีอํานาจและร่ำรวยในชีวิตนี้ แต่มันก็ไม่มีค่าอันใดเพราะเธอจำต้องจากมันไปอยู่ดีความแข็งแกร่งอำนาจและความสามารถของเธออาจจะยิ่งใหญ่แต่มันก็ไม่เคยชนะมารแห่งความตายได้เธออาจจะมีทรัพย์สมบัติและสิ่งรู้รามากมายแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถหลอกล่อพญามัจจุราชได้ ย่าเมื่อเธออยู่ในเงื้อมมือของท่านทรัพสมบัติค่าทาสบริวารของเธออาจจะมากมายดูน่าเกรงขามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถไปรอคอยรับใช้หรือติดตามเธอไปได้เธออาจจะมีลูกหลานบริวารและญาติมิตรมากมายแต่ก็ไม่มีใครติดตามเธอไปสู่ชีวิตใหม่ได้ เธออาจจะห้อมล้อมไปด้วยกำลังพลทั้งโลกแต่พวกเขาก็ไม่สามารถป้องกันการจู่โจมจากการเกิดแก่เจ็บและตายได้เว้นเสียแต่ว่าเธอจะประกันสวัสดิภาพของชีวิตในอนาคตเสียแต่ตอนนี้ใครจะสามารถทนความเจ็บปวดจากการตกลงสู่นรกได้ความหิวโหวย และกระหายของเปรตนั้นยากที่จะทนความเป็นทาสของสัตว์เดรัจฉานนั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักความแปรปรวนของชีวิตมนุษย์เจ็บปวดที่สุดความขัดแย้งกันในหมู่เทพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทนได้การตกลงสู่ภพภูมิต่ำของพรหมช่างทุกทรมานสรรพชีวิตทั้งหลาย ล้วนเวียนว่ายอยู่ในวงจรอันชั่วร้ายนี้กระแสแห่งการเกิดตายนี้ยากนักที่จะหนีพ้นทุกสิ่งล้วนไร้ค่าหากเธอไม่สามารถจะข้ามพ้นห่วงแห่งภพภูมิทั้งหกซึ่งการจะข้ามไปได้นั้นเธอจะต้องพัฒนากำลังแห่งความตื่นรู้อันไร้ซึ่งความหมายมานในความเป็นคู่ทั้งปวง การข้ามพ้นสังสารวัตรโซเกียว so ถ้าเธอต้องการจะเป็นอิสระจากสังสารวัตรจงดำเนินตามนี้ทุกสิ่งที่เธอยึดติดและเกลียดชังเป็นเพียงความเข้าใจผิดเป็นความคิดที่ลวงหลอกจงตัดมันที่ตัวมันเองความเชื่อเรื่องตัวตน คือรากและพื้นฐานของสังสารวัตจงถอนรากถอนโคนมันเสียเพื่อนฝูงญาติมิตรคือโซ่ผูกที่จะฉุดมัดเธอให้ต่ำลงจงตัดขาดเครื่องผูกเหล่านี้เสียความคิดเรื่องศัตรูและพูดผีปีศาจเป็นสิ่งทรมานจิตใจจงละทิ้งมันเสีย ความเฉยชาจะตัดพลังชีวิตเพื่อการหลุดพ้นจงทิ้งมันไว้เบื้องหลังความคดโกงและการลวงหลอกเป็นเครื่องพันธนาการที่หนักหน่วงจงตัดทิ้งมันให้หมดความอิจฉาริษยาเป็นดั่งพายุลูกเห็บที่ทำลายความดีงามทั้งหมดให้สูญสิ้นจงขจัดข้อผิดพลาดของเธอเอง ทินทานบ้านเกิดของเธอคือคุกแห่งปีศาจจงหลีกเลี่ยงมันดุดยาพิษความปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือเครื่องผูกที่ทำให้เธอคับแคบจงตัดเครื่องผูกทั้งหลายนั้นคำพูดที่บาดใจเป็นอาวุธที่อาบยาพิษจงปิดปากเงียบ อวิชาคือกิเลส ท, ที่ดำมืดจงจุดคบเพลิงแห่งปัญญาและพิจารณาให้มากคนรักคู่ครองและบุตรหลานคือกลอุบายของมานจงตัดทอนความยึดติดของเธอทุกสิ่งที่เธอประสบล้วนเป็นเพียงมายาจงปล่อยให้มันหลุดในตัวมันเอง หากเธอทําตามนี้เธอจะหันหลังให้กับสังสารวัตรโซเกียวเมื่อเธอเข้าใจความชั่วร้ายของสังสารวัตรจะไม่มีครูไหนที่จะต้องแสวงหาอีกนอกจากสิ่งนี้เมื่อเธอน้อมใจสู่ความไม่เที่ยงแท้เธอก็ไม่ต้องอาศัยกําลังใจที่ไหนอีกนอกจากสิ่งนี้ เมื่อเธอแจ้งชัดว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏและมีขึ้นนั้นล้วนคือจิตของเธอเองมันก็ไม่มีหนทางสู่การหลุดพ้นใดๆอีกนอกจากสิ่งนี้เมื่อเธอมีศรัทธาอย่างหนักแน่นมั่นคงในครูรู้ประเสริฐของเธอเธอก็ไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าที่ไหนอีกนอกจากสิ่งนี้ เมื่อเธอทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมันก็ไม่มีพระรัตนตรัยที่จะต้องสการะนอกไปจากสิ่งนี้เมื่อเธอตัดพื้นฐานและรากเหง้าของความคิดมันก็ไม่มีธรรมชาติเดิมแท้ใดอีกที่จะต้องภาวนานอกไปจากสิ่งนี้เมื่อความมีความเป็นในสังสารวัตร หลุดพ้นในตัวมันเองมันก็ไม่มีความตื่นรู้ใดอีกที่จะต้องบรรลุถึงนอกไปจากสิ่งนี้เมื่อเธอแจ้งชัดในธรรมเหล่านี้สังสา ร, รวัฏและนิพพานก็มไม่ใช่สองสิ่งที่แตกต่างกันอีกต่อไปไม่เช่นนั้นช่วงเวลาอันล้ำท่าแห่งความหนุ่มสาวนั้นจะน้อยนิดแต่ความยุ่งยากทั้งหลายจะมากมาย ความหลงลืมจะเข้มแข็งในขณะที่ยาแก้ทั้งหลายนั้นจะอ่อนกําลังกําลังใจนั้นอ่อนแอในขณะที่สิ่งยั่วยวนนั้นมีมากมายความขยันหมั่นเพียนนั้นขาดแคลนในขณะที่ความเกียดครานครอบงำภาระทางโลกนั้นมากมายในขณะที่งานทางธรรมนั้นน้อยนิด ความคิดร้ายนั้นออกหน้าในขณะที่ปัญญามีแต่ถดถอยโอ้จะมีผู้คนในยุคเสื่อมนี้มากมายเพียงไหนที่จะต้องเสียใจในเวลาที่ความตายมาถึงโซเกีย so วเธอจำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำอันลึกซึ้งนี้โดยตรง ศรัทธาเป็นพลังสำคัญยิ่งเหตุปัจจัยของศรัทธาโซเกี่ยวการจะหนีจากความมีความเป็นในสังสารวัตรนั้นเธอจำต้องมีศรัทธาในหนทางแห่งการบรรลุหลุดพ้นหมายความว่าศรัทธานั้นย่อมเกิดจากเหตุและปัจจัย มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อเหตุและปัจจัยของมันถึงพร้อมและใจของเธอน้อมชัดในความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อเธอเข้าใจและตระหนักได้ถึงเหตุและผลศรัทธาจะบังเกิดขึ้น เมื่ออ่านพระสูตรและตันตระอันลึกซึง้งศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อสมาคมกับกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธาศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่ยุ่งยากใจทั้งหลายศรัทธาจะบังเกิดขึ้น เมื่อได้สักการะบูชาต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อได้ประสบกับพฤติกรรมของครูบาอาจารย์ที่ลึกซึง้งศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อได้ฟังตัวอย่างชีวิตของครูผู้ยิ่งใหญ่ศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อได้ฟังบทเพลงแห่งความรู้แจ้ง ศรัท ธ, ธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อเห็นความทุกข์ของผู้อื่นศรัท ธ, ธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาในเรื่องความทุกข์ยากของสังสารวัฏศรัท ธ, ธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อได้อ่านคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมกับตัวเธอศรัท ธ, ธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อเรียนรู้สังเกตคุณธรรมของผู้เลิศศรัท ธ, ธาจะบังเกิดขึ้น เมื่อได้รับพรจากคูรุของเธอศรัทธาจะบังเกิดขึ้นเมื่อสร้างสมบุญบา ร, รมีอันพิเศษฉันขอแนะนำว่าจงอย่ายแยกห่างจากเหตุทั้งหลายที่ทำให้ศรัทธาบังเกิดขึ้นเหล่านี้เลยผู้ที่ขาดศรัทธา โซกิลเมื hmm. ่อเธอเกิดศรัทธาขึ้นในใจ mm hmm. เธอต้องทำให้มันมั่นคงหากเธอไม่ทำเช่นนี mm hmm. ้เธอก็จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นใหม่อีก mm hmm. การขาดศรัทธาเปรียบเหมือนกับการพยายามทำให้ฐ่านเป็นสีขาว mm hmm. เธอจะออกห่างจากกุศลธรรมซึ่งนำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้น การขาดศรัทธาเปรียบเหมือนกับแร่เพชรทีท่จมอยู่ก้นมหาสมุทรเธอจะหลงจมอยู่ในหลุมลึกแห่งความมีเป็นของสังสารวัตการขาดศรัทธาเปรียบเหมือนเรือที่ไม่มีพายเธอจะไม่สามารถข้ามทะเลได้การขาดศรัทธาก็เหมือนการบ่มเพา ะ, มะเมล็ดบนพื้นที่แข็งกระด้าง แทนที่จะเพาะปลูกบนดินที่อุดมสมบูรณ์กุศลแม้เพียงหนึ่งก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้การขาดศรัทธาเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเผาจนไหม้เกรียมต้นอ่อนแห่งการบรรลุหลุดพน้นย่อมไม่มีวันจะงอกได้การขาดศรัทธาก็เหมือนการเดินทางไปในที่ที่น่ากลัวโดยไม่มีเพื่อน เธอไม่มีทางจะเอาชนะอารมณ์ที่รบกวนได้การขาดศรัทธาก็เหมือนคนพเนจรที่จบลงในคุกเธอจะไม่สามารถหนีอบายภูมิไปได้การขาดศรัทธาก็เหมือนคนแขนขาดที่พยายามจะปีนหน้าผาเธอย่อมตกลงสู่ภพภูมิทั้งหกการขาดศรัทธา ก็เหมือนกวางที่ถูกนายพรานจับเธอจะต้องถูกลงทันโดยโยมบาลการขาดศรัทธาเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ยืนอยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอมองไม่เห็นคุณประโยชน์ที่อยู่เบื้องหน้าการขาดศรัทธาก็เหมือนคนโง่ที่มาถึงเกาะที่เต็มไปด้วยทองคำแต่ไม่รู้ว่าเธอได้พบอะไร คนที่ขาดศรัทธาไม่มีทางที่จะบรรลุสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นอุปมาของศรัทธาโซเกียวสำหรับการรู้แจ้งหลุดพ้นแล้วหากเธอมีศรัทธาอย่างเข้มแข็งก็เท่ากับการปฏิบัติธรรมของเธอสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่ง ศรัทธาเปรียบเหมือนพื้นดินอุดมสำหรับคำสอนคำแนะนำต่างๆจะเจริญงอกงามศรัทธาเปรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกมันนำมาซึ่งพรเพื่อความสำเร็จในทุกสิ่งที่เธอสแสวงหาศรัทธาเปรียบเหมือนประมุขของโลกมันเป็นศูนย์รวมแห่งอาณาจักรธรรมศรัทธาเปรียบเหมือนปราสาทที่แข็งแกร่ง มันทนทานต่ออารมณ์ที่รบกวนของตัวตนและอื่นๆศรัท ธ, ธาเปรียบเหมือนสะพานหรือเรือใหญ่มันจะช่วยนําพาให้เธอข้ามห้วงมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏศรัท ธ, ธาเปรียบเหมือนเชือกที่แขวนห้อยอยู่ในอบายภูมิมันจะดึงเธอขึ้นจากภพภูมิที่ต่าศรัท ธ, ธาเปรียบเหมือนหมอรักษา มันช่วยกำจัดโรคเรื้อรังแห่งพิษทั้งห้าศรัทธาเปรียบเหมือนขุนพลที่ทรงพลังมันจะนำเธอให้ปลอดภัยจากอันตรายแห่งสังสารวัตรศรัทธาเปรียบเหมือนผู้ปกป้องมันจะช่วยให้เธอรอดจากเล่ห์กลของมารทั้งสี่ศรัทธาเปรียบเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นมันจะทำให้กุศลของเธอเพิ่มผูนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ศรัทธาเปรียบเหมือนสินบนที่จะช่วยไม่ให้เธอติดคุกมันสามารถหลอกล่อมัจจุราชได้ศรัทธาเปรียบเหมือนหนทางขาขึ้นมันจะนำเธอไปสู่เมืองเบือบ้องบนได้ศรัทธาเปรียบเหมือนเมืองสมบัติที่ไม่มีวันหมดมันให้ได้ทุกสิ่งที่จำเป็นและต้องการศรัทธาเปรียบเหมือนมือของเรา มันจะรวบรวมรากเงาแห่งธรรมไว้ศรัทธาเปรียบเหมือนม้าที่ปราดเปรียวมันจะนำเธอไปสู่จุดหมายแห่งการบรรลุหลุดพ้นศรัทธาเปรียบเหมือนช้างที่สามารถรับน้ำหนักได้มากมันจะพาเธอไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นศรัทธาเปรียบเหมือนแหล่งน้าใส มันจะสะท้อนออกซึ่งการตื่นรู้เดิมแท้ของตัวเธอเองทันทีที่ศรัทธาตั้งมั่นอย่างมั่นคงในตัวเธอบุญกุศลทั้งหลายจะหลังไหลมากองดุดขุนเขาคุณค่าแห่งศรัทธาโซเกียว รากเง่าของกุศลทั้งหลายแห่งความเป็นพุท ธ, ธะล้วนขึ้นอยู่กับศรัทธาจงทำให้ศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วนลึกของตัวเธอมันจะช่วยป้องกันสภาพอันไรอิสระและจะนำมาซึ่งความอิสระและความสมบูรณ์เพียบพร้อมมันจะพาเธอออกห่างจากเพื่อนที่ชั่ว และทำให้เธอปฏิบัติตามคุรุที่แท้จริงมันจะปิดประตูสู่อบายภูมิและเปิดเผยต้นทางสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นมันจะขับไล่ความสงสัยลังเลและนำเธอออกห่างจากทางแห่งมารมันจะยับยั้งความหยิ่งทะนงตนและความอิจฉาริษยาและเป็นเหตุให้เธอถึงซึ่งอิสรภาพ และความสมบูรณ์มันจะช่วยให้เธอเป็นอิสระจากปัญหาทั้งหลายอันเกิดจากกรรมชั่วของเธอและทำให้เธอได้รับทุกๆสิ่งที่ดีงามมันจะทำให้เธอพ้นจากสิ่งที่เธอยึดติดและบังเกิดความเชื่อมั่นในการปล่อยวางมันจะทำให้เธอละทิ้งความเห็นและการกระทำที่ผิด และมีความมั่นใจในคาสอนของพระพุทธองค์มันจะช่วยขจัดอารมณ์รบกวนทั้งหลายให้หมดสิ้นและทำให้เธอได้พบความดีงามที่แท้จริงในตนมันจะช่วยให้เธอข้ามพ้นมหาสมุทรแห่งความมีอยู่ของสรรพสิ่งและกลายเป็นผู้นำทางที่แท้จริงมันช่วยลดอกุศล และเพิ่มพูนทุกสิ่งที่เป็นกุศลมันจะขจัดความเห็นที่ผิดและทำให้เธอบรรลุถึงแก่นแท้แห่งธรรมอันยิ่งคำพีตันตระได้กล่าวไว้ว่าหากเปรียบกับการช่วยเหลือสรรพสัตว์จำนวนมากมายเท่ากับฝุ่นทุลีในดินแดนแห่งพุท ธ, ธะทั้งสิบการมีศรัทธาในคำสอนของมหายานนั้น จะบังเกิดอุสลอันยิ่งใหญ่กว่ากันมากมายนะักคำแนะนำในการปฏิบัติมุ่งมั่นสู่การปฏิบตัติโซเกียวหากผู้คนจะใส่ใจฟัง นี่คือคำแนะนำที่เขาควรปฏิบัติตามพอได้แล้วกับการดิ้นรนในสิ่งที่ไร้สาระตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งให้สำเร็จพอได้แล้วกับความเหนื่อยยากและสิ้นหวังในการเป็นทาสรับใช้ผู้อื่นตอนนี้ เป็นเวลาที่จะยังประโยชน์ที่จําเป็นยิ่งแก่ตัวเธอเองพอได้แล้วกับคําพูดและการกระทําที่ศูนย์เปล่าซึ่งเป็นผลมาจากพิษทั้งห้าตอนนี้เป็นเวลาที่จะนําทางให้กายและวาจาของเธอสู่ทางแห่งธรรมพอได้แล้ว กับการมัวหลงพึงพอใจในสิ่งที่น่ายินดีทั้งหลายตอนนี้เป็นเวลาที่จะปฏิบัติธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรและเป็นสุขพอได้แล้วกับการยอมจำนนต่อญาติมิตรจงทลายกำแพงแห่งความกลัวเสียพอได้แล้วกับความเกลียดชังต่อศัตรูและพูดผีปีศาจ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องฝึกในเรื่องความรักและความเมตตาพอได้แล้วกับการที่ถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ทั้งหกตอนนี้เป็นเวลาที่ควรจะต้องศึกษาธรรมชาติของจิตพอได้แล้วกับการสร้างกรรมชั่วอีกตอนนี้เป็นเวลาที่จะเลิกการกระทําที่ผิดและการกระทําชั่วทั้งปวง พอได้แล้วกับความทุกข์ในความมีความเป็นของสังสารวัตตอนนี้เป็นเวลาที่จะหนีไปสู่อาณาจักรแห่งความเบิกบานอันยิ่งพอได้แล้วกับการคลุกคลีสังสรรค์ตอนนี้เป็นเวลาที่จะอยู่อย่างสันโดษพอได้แล้วกับการพูดที่ไร้ประโยชน์ตอนนี้เป็นเวลาที่ควรจะเงียบ และเป็นมิตรกับสัจธรรมพอได้แล้วกับความคิดและการวางแผนอันลวงหลอกตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องรู้แจ้งในธรรมกายซึ่งคือหน้าตาตามธรรมชาติของเธอเองถึงเวลาแล้วที่จะประสานรวมศรัทธาและความขยันหมั่นเพียรเข้าเป็นหนึ่ง เพื่อการบรรลุสู่สภาวะแห่งความตื่นรู้สิ่งจำเป็นเบื้องต้นโซเกียวจนกว่าจะบรรลุหลุดพ้นเธอจำต้องมีครูดังนั้น จงหมั่นเข้าหาคูรูผู้ประเสริฐที่แท้จริงจนกว่าจะรู้แจ้งในสภาวะธรรมชาติเธอจำต้องศึกษาเรียนรู้ดังนั้นจงรับคำแนะนำอันละเอียดลึกซึ้งที่ถ่ายทอดโดยตรงจากคุรูของเธอเธอไม่มีทางจะตื่นรู้สู่การรู้แจ้งหลุดพ้นด้วยเพียงจากความเข้าใจโดยการคิดไคร้ครวน ดังนั้นจงหมั่นเพียรในการปฏิบัติเช่นเดียวกับการสีไฟให้ติดจนกว่าเธอจะบังเกิดความตั้งมั่นในธรรมชาติดั้งเดิมของเธอเธอก็ยังเสี่ยงต่ออุปสรรคทั้งหลายดังนั้นจงละเลิกกิจการงานที่ทำให้เธอควยเควจนกว่าเธอจะถึงเป้าหมายสุดท้ายเธอจําต้องเจริญคุณสมบัติ ที่เป็นกุศลทั้งหลายให้ยิ่งดังนั้นจงค่อยๆฝึกฝนทำความตื่นรู้ของเธอให้เข้มแข็งขึ้นจงอยู่ห่างจากทุกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความคิดคำพูดและการกระทาของเธอและเป็นอยู่อย่างผ่อนคลายเสมอจงหลีกเลี่ยงการคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ชักนำไปสู่อารมณ์อันรบกวน แต่ให้มันคบหากับบุคคลที่ชี้นำเธอสู่การกระทาที่เป็นกุศลยามเช้ายามกลางคืนและในระหว่างวันจึงตรวจสอบการกระทำที่เป็นกุศลและอกุศลของเธอและเฝ้าระวังรักษาจิตไว้เธออาจจะได้รับคำแนะนำโดยตรงจากครูบาอาจารย์ของเธอแต่มันก็ไร้ผล หากเธอไม่นำมันมาปฏิบัติอะไรก็ตามที่เธอเข้าใจแล้วจงนำมันมาปฏิบัติผลย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการปฏิบัติตามคำชี้นำของครูรู้ผู้ประเสริฐของเธอดังนั้นจงตั้งใจฟังพระธรรมอันศักดิ์สิทธินั้น และสิ่งเสื่อมเจริญสิ่งดีโซเกีย so วอาหารและเสื้อผ้าจะมีแก่เธอเองหากเธอปฏิบัติทมอย่างจริงใจเปรียบเสมือนการดื่มน้ำเค็มปัญหาย่อมไม่มีทางระงับด้วยการตอบสนองมันดังนั้นจงอยู่อย่างอิ่มพอจงกำจัดความหลงทนงตน แต่คงอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและมีระเบียบวินัยเกียรติยศและความนับหน้าถือตาเป็นกับดักแห่งมารดังนั้นจงโยนมันทิ้งเหมือนก้อนหินริมแม่น้ำความพอใจและชื่อเสียงนั้นเป็นเพียงของชั่วคราวดังนั้นจงละทิ้งเรื่องราวต่างๆของชีวิตไว้เบื้องหลังและเลิกสนใจมันอย่างเด็ดขาด ชีวิตในอนาคตยาวนานกว่าชีวิตในปัจจุบันนักจงเตรียมตัวของเธอให้ดีด้วยสเสบียงที่ดีที่สุดเราจําต้องจากชีวิตนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีใครจงสแสวงหาเพื่อนแห่งความไม่กลัวเธออย่าดูหมิ่นผู้ที่ถ่อมตัวอย่าให้ความแตกต่างระหว่างสูงและต่ำ อย่าอิจฉาผู้ที่ถึงพร้อมแต่จงเอาอย่างท่านจงอย่าคํานึงถึงจุดบกพร่องของผู้อื่นแต่จงแก้ไขข้อเสียของตัวเธอเองเช่นเดียวกับการขจัดขนบนใบหน้าจงอย่าสนใจแต่เรื่องความสุขของตัวเองแต่จงห่วงใยถึงความสุขของผู้อื่นและมีเมตตาต่อทุกคน จงปลูกเราอัปมัญญาทั้งสี่ให้บังเกิดขึ้นในใจเธอและดูแลสรรพสัตว์เหมือนบุตรของเธอเองจงศึกษาพระสูตรและตันตระด้วยความรอบคอบเช่นเดียวกับการช่างขนสัตว์และซึมซับคำสอนทั้งหลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเธอจงค้นหาคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดให้ทั่วทั้งดินแดน เหมือนการปั่นแยกเอาเนอยออกจากนมทุกทุกสิ่งที่เธอประสบล้วนเป็นผลจากกรรมเก่าไม่ใช่จากปัญหาดังนั้นจงผ่อนคลายใจให้สบายการถูกปฏิเสธโดยคูรูปผู้เลิศนั้นโชคร้ายยิ่งกว่าการตายดังนั้นจงซื่อสัตว์และไม่หลอกลวง ความยุ่งยากของชีวิตนี้ก็เนื่องด้วยกรรมเก่าดังนั้นจงอย่าไปตำหนิผู้ใดเลยความสุขสบายคือพรจากครูบาอาจารย์ของเธอจงใส่ใจที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านหากเธอไม่ฝึกฝนตัวเธอเองเธอจะนำทางผู้อื่นได้อย่างไรดังนั้น จงฝึกตัวเธอเองเป็นอันดับแรกหากปราศจากยานอย่างรู้ขั้นสูงเธอจะไม่สามารถช่วยเหลือสรรพสัตได้ดังนั้นจงขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติดำรงตนให้ถูกต้องโซเกียว หากบุคคลใส่ใจในตัวเองพวกเขาควรจะตั้งใจฟังคำแนะนำของฉันในที่สุดคนเราก็ต้องละทิ้งสมบัติทั้งหมดไว้เบื้องหลังดังนั้นจงอย่าทำบาปกรรมเพื่อสร้างความร่ำรวยเลยวิบากกรรมของการกระทำดีและชั่วมันย่อมไม่หายไปไหนนับกลับดังนั้น จงใส่ใจในรายละเอียดแม้เล็กน้อยของเหตุและผลของมันทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหลายนั้นล้วนไม่มีสาระดังนั้นจงใช้มันเพื่อสร้างกุศลโดยการบริจาคทานกุศลทั้งหลายที่สร้างในปัจจุบันเธอจําเป็นต้องใช้ในอนาคตดังนั้น จงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ความโกรธเกลียดจะรุนแรงขึ้นในยุคมืดดังนั้นจงสวมใส่เกราะแห่งความอดทนหากเธอขี้เกียจเธอจะเฉใช้ไปสู่ความมีอยู่ของสังสารวัตอีกดังนั้นจงมุ่งมั่นสร้างความขยันหมั่นเพียรโดยไม่หวันไหวเธอชีวิตของเธอนั้น ล้วนหมดไปบนถนนของสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายดังนั้นจงมั่นฝึกภาวนาและฝึกตนให้อยู่บนธรรมชาติดั้งเดิมเอาวิชาความหลงนั้นทรมานเธอให้ติดอยู่ในสังสารวัตดังนั้นจงจุดตะเกียงแห่งปัญญามันไม่มีความสุขใดในปลักต้มอันสกปรกดังนั้น จงมุ่งหน้าสู่พื้นดินแห่งการบรรลุหลุดพน้นจงฝึกฝนอย่างถูกต้องตามคำสอนที่ละเอียดลึกซึง้งและตัดขาดเครื่องโยงใยแห่งความมีอยู่จริงเสียจงละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดออกห่างจากญาติมิตรและอาศัยอยู่ในคุนเขาที่สงบเงียบจงละเลิกความเพลิดเพลินในการคิด การพูดและการกระทำแต่ให้มองเข้าไปในธรรมชาติเดิมแท้อันไร้ขอบเขตของเธอจุงนั่งเก้าอี้ที่ต่ำที่สุดสวมใส่เสื้อผ้ามอซอและคงรักษาประสบการณ์ในการปฏิบัติของเธอรับประทานอาหารที่เรียบง่ายร่อนเร่ไปดุดซายน้ำในอินเดีย และค้นหาสมบัติทางจิตใจจากบุคคลผู้เลิศเธอไม่มีวันจะพบผู้ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังนั้นจงอย่าได้ติด จ, จมอยู่กับความผิดพลาดของครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรของเธอเลยชีวิตนี้เป็นแค่ความจริงอันผิวเผินอย่าได้หมกมุ่นอยู่กับความหวังและความกลัวแต่จงฝึกให้แจ้งชัดว่า ทุกสิ่งนั้นเป็นเพียงมายาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ในอนาคตเธอจะต้องเพาะบ่มความแน่วแน่ในโพธิสัตว์อุปสัตทั้งสองขวางกั้นการบังเกิดขึ้นของคุณธรรมอันดีทั้งหลายดังนั้นจงขจัดมันให้หมดไปโดยเร็วถ้าเธอหวาดกลัวต่อสภาพของสังสารวัตร ที่เป็นดังคราฤาษที่กําลังลุกไหม้เธอควรจะเอาใจใส่ต่อคำสอนของฉันปัธมะสัมภาวะยากแก้และยาป้องกันโซเกีย so วถ้าเธอปรารถนาที่จะดำเนินการปฏิบัติอย่างสืบเนื่อง จงตัดความยึดติดทั้งหลายทิ้งเสียเมื่อกองทัพต้องห้ามแห่งอภิญญาได้บังเกิดขึ้นจงสร้างกำแพงเหล็กล้อมรอบตัวเธอด้วยการมองเห็นมันเป็นเพียงมายาเมื่อเธอกโกรธต่อคำพูดที่ไม่พึงใจจงมองให้เห็นต้นเหตุว่าทำไมเสียงมันจึงสะท้อนออกมาเป็นความไม่พอใจเช่นนั้น เพื่อจะพัฒนาความเตื่นรู้แห่งวิปัสนาจงใช้รูปและเสียงเป็นเครื่องมือสำคัญถ้าเธอปรารถนาจะทำให้ประสบการณ์ในการภาวนาของเธอนั้นเข้มแข็งจงพัฒนาทักษะโดยการปฏิบัติแบบพิเศษที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปให้ถึงหนทางแห่งผู้ประเสริฐ จงพิจารณาไปที่ความเห็นเรื่องกุศโลบายและปัญญาหากเธอต้องการจะมีทรัพย์ที่ไม่มีวันสูญหายจงสร้างสมบรรมีทั้งสองด้านหากเธอต้องการจะก้าวข้ามอันตรายของทิฏฐิที่ผิดจงปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากการรับรู้โดยความเป็นคู่อันคับแคบ หากเธอปรารถนาให้ปัญญาแห่งความเบิกบานอันยิ่งนั้นเติบโตในชีวิตของเธอจงรับคำแนะนำโดยตรงในเรื่องหนทางแห่งกุศโลบายหากเธอต้องการจะมีความสุขเสมอจงหนีจากคุกแห่งความทุกข์หากเธอต้องการจะแจ้งชัดในธรรมชาติอันแท้จริงของจิตอันไร้ร า, รากฐานใดๆ จงตัดการยึดติดในสภาวะทั้งหลายที่เกิดจากการภาวนาของเธอหากเธอต้องการที่จะชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนแห่งพร อ, อันประเสริฐอย่างสืบเนื่องจงเคารพบูชาคุณครูบาอาจารย์ของเธอด้วยความศรัทธาทุ่มเทหากเธอปรารถนาที่จะข้ามพ้นอบายภูมิทั้งหกจงขับไล่ผีร้ายแห่งความถือดีทนงตน หากเธอปรารถนาที่จะทำให้ความมุ่งมั่นในพุทธธรรมอันประเสริฐนั้นสำฤทธิผลจงตัดขาดเยื่อใยต่อประสบการณ์ทั้งหลายในปัจจุบันของเธอเสียหากเธอปรารถนาที่จะฝึกฝนความตื่นรู้แบบวิปัสสนาให้เข้มแข็งจงอย่าปล่อยให้ความตรหนกรู้อันไรซึ่งความหมายแห่งความเป็นคู่นั้นหายไปกับความสงสัยลังเล หากเธอปรารถนาที่จะประสานใจให้เป็นหนึ่งกับธรรมจงอย่าปล่อยให้การปฏิบัติของเธอเฉยชาและขาดความกระเตอรรือรน้นหากเธอต้องการจะทำภารกิจของเธอให้เสร็จสิ้นในชีวิตนี้จงอย่าปล่อยให้การบรรลุผลเป็นแค่เพียงความปรารถนาหากเธอต้องการจะมีประสบการณ์กับสิ่งที่ปรากฏและตั้งมั่นอยู่ด้วยความตื่นรู้ดั้งเดิม จงเฝ้าสังเกตรธรรมชาติของจิตอยู่เสมอโซเกีย so, วดูเหมือนจะไม่มีนักปฏิบัติคนไหนที่ปฏิบัติได้ตรงทางเลยาการถ่ายทอดโซเกีย so, วเพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังจงให้ศีลที่เหมาะกับกำลังของเขา จงให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับสติปัญญาของเขาจงให้วิธีการปฏิบัติที่พอเหมาะกับความขยันหมั่นเพียรของเขาจงเข้าใจสิ่งนี้ให้ดีและสอนในสิ่งที่ตัวเธอเองมีความเชื่อมั่นมิฉะนั้นแล้วผู้มากด้วยปัญญาทางโลกหากได้รับคําแนะนําที่ไม่น่าสนใจเขาก็ยังคงไม่พึงพอใจ อันจะทำให้ศรัทธาของเขาเสื่อมถอยลงไปและเป็นเหตุให้กระทําในสิ่งที่ไม่สมควรโดยการทําให้ผู้อื่นเสื่อมศรัทธาคนที่มีสติปัญญาน้อยหากได้รับคำสอนที่มีความหมายลึกซึง้งและสูงกว่าความสามารถของตนเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจมันได้หรือแม้จะเข้าใจบางคนก็อาจจะรู้สึกตื่นกลัว และให้ร้ายคำสอนนั้นบางคนอาจยึดถือหยุดแค่คำศัพท์ภาษาโดยปราศจากความเข้าใจซึ่งจะเป็นผลร้ายมากกว่าจะเกิดประโยชน์ครูรูปผู้ชาญฉลาดได้แนะนำไว้ว่าลูกศิษย์ทั่วไปที่มีสติปัญญาน้อยหากได้รับคำสอนขั้นสูงอันลึกซึ้งเกินไป ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับธรรมที่แท้จริงได้เพราะความมั่นใจซึ่งเกิดจากการหลงยึดถือแค่เพียงคาศัพท์ภาษาจะทำให้ความเข้าใจของเขานั้นถดถอยและไม่สามารถจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้คำสอนที่ต้องระวังสำหรับผู้ด้อย การสอนว่ามันไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องศึกษาและพิจารณานั่นจะยิ่งทำให้ความรู้ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วริบรี่ลงแต่กลับเพิ่มพูนความหลงที่มีอยู่ให้หนาขึ้นการสอนว่าทำนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปทำอะไรนั่นยิ่งทำให้ความขยันหมั่นเพียรที่มีน้อยอยู่แล้วถดถอยลง แต่กลับเพิ่มพูนความขี้เกียจที่มีอยู่ให้มากขึ้นการสอนว่ามันไม่ต้องอาศัยเหตุและผลนั่นจะยิ่งทำให้กุศลที่มีน้อยอยู่แล้วหดหายไปและยิ่งทำให้ความเข้าใจที่ผิวเผินอยู่แล้วนั้นมีอิทธิพลมากขึ้นการสอนว่าไม่มีความดีและความชั่วจะทำให้ความมุ่งมั่นตั้งใจอันน้อยนิดที่มีอยู่ กลายเป็นอมพาธแต่กลับทำให้ความทนงตนขยายใหญ่โตขึ้นการสอนว่าไม่มีการเกิดและไม่มีการตายจะฝังกลบศรัทธาอันอ่อนแอที่มีอยู่ให้จมหายและขยายมิจฉาทิฐิให้เพิ่มพูนการสอนว่าไม่มีสังสารวัฏและไม่มีนิพพาน ทำให้ความสนใจอันบอบบางที่มีตอบผลของการปฏิบัตินั้นฝ่อลงแต่กลับทำให้ความสนใจในโลกธรรมแปดอันทรงพลังนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งหมดนี้มันจะทำให้เกิดมิจฉาทิฐิมากกว่าเกิดประโยชน์สิ่งจำเป็นที่ต้องมี โซเกียว so เว้นเสียแต่ว่าเธอจะเหนื่อยหน่ายต่อความทุกข์ยากเธอไม่มีวันที่จะสละละวางเรื่องโลกโลกแม้ว่าเธอจะพิจารณาเรื่องความทุกข์ยากของสังสารวัตแล้วก็ตามเว้นเสียแต่ว่าทำแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นจะฝังรากลึกลงในจิตใจของเธออย่างจริงจัง เธอไม่มีวันที่จะตัดความหลงยึดติดในปรากฏการ์ทั้งหลายได้แม้ว่าเธอจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทั้งหลายเว้นเสียแต่ว่าเธอจะเป็นมิตรได้กับความไม่แน่นอนและความตายเธอจะไม่สามารถน้อมคาสอนอันลึกซึ้งเข้าสู่จิตได้แม้เธอจะเคยเรียนรู้มันมาบ้างก็ตามเว้นเสียแต่ว่า เธอจะแน่วแน่ในความไม่มีอยู่จริงของประสบการณ์อันลวงหลอกทั้งหลายเธอไม่มีวันจะยอมปล่อยวางการยึดติดในความจริงแห่งตัวตนได้แม้ว่าเธอจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงกลลวงของมายาเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่าเธอจะละทิ้งเรื่องทางโลกเธอย่อมไม่สามารถแยกแยะสังสารวัตออกจากนิพพานได้ แม้ว่าสมองของเธอจะเต็มไปด้วยคำสอนอันลึกซึ้งมากมายเว้นเสียแต่ว่าเธอจะเกาะติดในความดีเลิศเสียแต่ตอนนี้มันไม่แน่ว่ากรรมชั่วของเธอจะนาเธอไปที่ไหนแม้ว่าเธอจะสะสมกรรมดีไว้สำหรับอนาคตบ้างก็ตามเว้นเสียแต่ว่าเธอจะหันหลังให้กับการดิ้นรนในสังสารวัฏอย่างจริงใจ เธอย่อมไปไม่ถึงที่สุดแห่งการภาวนาแม้ว่าเธอจะรู้สึกถึงศรัทธาอันแก่กล้าสักครั้งสองครั้งก็ตามเว้นเสียแต่ว่าเธอจะละทิ้งครอบครัวและความยึดติดกับบ้านเกินเธอไม่มีวันที่จะขึ้นมาจากปลักตมของสังสารวัตแม้ว่าเธอจะภาคเพียรอย่างหนักก็ตามเว้นเสียแต่ว่า เธอจะปลดตัวเองออกจากวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเธอไม่มีวันที่จะตัดขาดสายน้ำที่นำไปสู่ภูมิทั้งหได้แม้ว่าเธอจะเข้าใจว่าภพทั้งสามไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่อย่างจริงแท้เว้นเสียแต่ว่าเธอจะทําจิตให้มั่นคงอยู่ในวิถีทางแห่งความรู้แจ้งหลุดพ้น เธอย่อมไม่สามารถจะประทานพรให้กับประสบการณ์ของผู้อื่นได้แม้ว่าเธอจะมีความรู้อย่างดีในวิชาทั้งห้าเล้นเสียแต่ว่าเธอจะถอนรากเหง้าของความผิดภายในของเธอได้ปีศาจร้ายแห่งกิเลส ท, ที่ซ่อนเร้นอยู่ก็ยังจะสามารถฟื้นคืนมาได้แม้ว่าเธอจะได้เริ่มสัมผัสกับความเบิกบาน และความใสกระจ่างของการตื่นรู้เว้นเสียแต่ว่าเธอจะตัดขาดสายใยแห่งความปรารถนาทั้งปวงเธอก็จะวนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าเธอจะสละวัตถุอันเป็นที่พอใจและไม่พอใจแล้วก็ตามอย่าประมาทนอนใจ ถ้าเธอยังเต็มไปด้วยกิจกรรมทางโลกเธอจะไม่พบโอกาสที่จะบรรลุสู่สภาวะแห่งความตื่นรู้ได้แม้ว่าเธอจะได้รับคำแนะนำโดยตรงจากคูรุกของเธอแล้วก็ตามเธออาจจะศึกษาและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอแต่หากความกลัวเกิดและกลัวตายไม่ปักแน่นลงบนใจเธอแล้วละก็คำสอนทั้งหมดก็เป็นเพียงคาพูด เธออาจจะเชี่ยวชาญในกิจทั้งสแต่หากเธอไม่ทํางานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการตั้งจิตโพธิสัตว์ของเธอก็จะเป็นเพียงสิ่งที่เหลวไหลแม้ว่าเกราะแห่งศีลวินัยของเธออาจจะดูน่าประทับใจแต่หากเธอยังไม่บรรลุสู่การยอมรับจากธรรมชาติดั้งเดิมมันย่อมทนต่อคําพูดที่เสียดแทงไม่ได้หรอก เธออาจจะเรียนรู้เรื่องภายนอกและภายในมามากแต่หากเธอไม่ทุ่มเทตนเพื่อการปฏิบัติจิตของเธอก็ไม่อาจลอยขึ้นเหนือกว่าจิตของคนทั่วไปครูรุกของเธออาจจะมีคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ดุดหมู่เมฆบนท้องฟ้าแต่หากว่าเธอผู้เป็นศิษย์ไม่ทุ่มเทศรัทธาสายฝนแห่งพร อ, อันประเสริฐ ย่อมไม่โปรยปลายลงมาในฐานะผู้ปฏิบัติเธออาจจะได้รับพรและคําแนะนำโดยตรงแต่หากเธอขาดความการุณาอันไรประมาณมันก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์เลยเธออาจจะเป็นเจ้าของปราสาทราชวังทางโลกแต่หากเธอไม่ยึดป้อมปราการอันเลิศแห่งการไร้การเกิด เธอก็ยังคงจะท่องเที่ยวไปอย่างทุกระทมในชีวิตหลังความตายเว้นเสียแต่ว่าเธอจะมีความรู้แจ้งอย่างมั่นคงเป็นเพื่อนแท้แม้เธอจะมีเพื่อนฝูงและญาติมิตรมากมายแต่เธอก็จำต้องตายอยู่ดีดังนั้นจงทิ้งทุกๆคนไว้เบื้องหลังเธออาจจะมีศิลปะป้องกันตัวที่เก่งกล้า แต่หากเธอไม่พัฒนาการภาวนาของเธอให้แข็งแกร่งสมบูรณ์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะไม่สามารถทนต่อกองทัพของมัจจุราชได้เธออาจจะมีสำนวนคมคายที่บาดใจคนแต่หากเธอไม่ทุ่มหมดใจเพื่อการบรรลุหลุดพ้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจพยามัจจุราชได้เว้นเสียแต่ว่าเธอจะบุ่มเพาะ สิ่งที่มีค่าคงอยู่ตลอดกาลบารมีและอริยทรัพย์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เธออาจจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตสะสมความมั่งคั่งร่ารวยแต่ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้แม้ข้าวสักเม็ดมันต้องอาศัยสถานการณ์ที่เกื้อหนุนมากมายมาประสานกันเธอถึงจะบรรลุสู่พุทธภาวะได้ในชาติเดียว ซึ่งมันเป็นเรื่องยากผู้ที่อ่อนกำลังโซเกีย so วดูเหมือนว่านักปฏิบัติธรรมผู้อ่อนกำลังส่วนมากไม่ได้นำคำสอนเข้าสู่ใจตนเพราะหากพวกเขาทำมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเกียจคร้านและไม่ใส่ใจเช่นนี้ พวกเขาย่อมไม่เข้าใจธรรมชาติของสังสารวัตรแน่นอนเพราะหากพวกเขาเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยังหลงยึดติดในสิ่งทั้งหลายว่าจริงแท้อย่างแข็งกร้าวพวกเขาย่อมไม่เคยพิจารณาถึงความยากลําบากของการได้มีอิสระและมีความสมบูรณ์พร้อมเพราะถ้าพวกเขาได้พิจารณา พวกเขาย่อมไม่มีทางที่จะมัววุ่นวายกับกิจกรรมที่ไร้สาระพวกเขาย่อมไม่เข้าใจกฎแห่งเหตุและผลอย่างแน่นอนเพราะถ้าเขาเข้าใจเขาจะระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่กระทำชั่วพวกเขาย่อมมองไม่เห็นค่าของการกระทำที่เป็นกุศลเพราะถ้าเขาเห็น เขาย่อมจะไม่เหนื่อยหน่ายในการสร้างสมบารมีทั้งหลายพวกเขาย่อมไม่เคยประสบกับธรรมชาติดั้งเดิมอันลึกซึง้งเพราะหากพวกเขาเคยพวกเขาจะไม่กล้าออกห่างจากการปฏิบัติเลยเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเคยเข้าใกล้วิถีทางแห่งมหายานอย่างแท้จริงเพราะถ้าเขาเคย พวกเขาย่อมจะต้องละทิ้งความเห็นแก่ตัวและทำงานเพื่อสวัสดิภาพของผู้อื่นพวกเขาต้องไม่เคยมุ่งจิตของตนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเพราะถ้าเขาเคยพวกเขาจะต้องเป็นอิสระจากความอิจฉาริษยาและมานะอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเคยศึกษา หรือพิจารณาเรื่องยานทั้ง9้าเพราะถ้าเขาเคยพวกเขาจะต้องสามารถแยกแยะได้ระหว่างคําสอนที่สูงกว่าและต่ํากว่ามั่นใจได้เลยว่าพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้ทิฐิที่แ ท, ท, ท, ท, ท้จริงของสายมนตราศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าเขาเคยพวกเขาจะต้องรู้ว่าอะไรควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ ในเรื่องของสังสารวัฏและนิพพานพวกเขาย่อมไม่เคยแจ้งชัดในความเห็นที่แท้จริงของสภาวะธรรมชาติเพราะถ้าเขาเคยพวกเขาจะต้องไม่มีอคติและประพฤติตนเช่นนี้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมีจิตปรารถนาเพื่อการตื่นรู้สู่การรู้แจ้งอันสมบูรณ์เพราะถ้าเขามี พวกเขาจะต้องละทิ้งกิจกรรมอันไร้สาระในชีวิตนี้ไปนานแล้วมีผู้คนมากมายที่ไม่มีความสนใจในธรรมเลยแม้เพียงเล็กน้อยการประสานจิตกับธรรมโซเกียว ฉันมีคำแนะนำหากเธอปรารถนาที่จะประสานจิตของเธอให้กลมกลืนเข้ากับธรรมพระสูตรและตันตระเป็นพยานที่ไม่บกพร่องจงปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นไม่ว่าเธอจะทำอะไรคำแนะนำของครูรู้ผู้ประเสริฐคือคำปรึกษาอันเป็นที่สุดจงทำตามคำบอกของครูรู้ผู้เลิศ องยิ้ดแดมของเธอคือผู้เกื้อหนุนสู่ผลสำเร็จดังนั้นจงมั่นคงในการปฏิบัติอุปสรรคของเธอจะถูกขจัดโดยเทพผู้พิทักษ์จงวางใจในดักกินีและเหล่าองค์เทพธรรมบาลทั้งหลายหน้าที่ของเธอคือมั่นอยู่ในทางแห่งการปฏิบัติดังนั้น จงอย่าแยกห่างจากการปฏิบัติธรรมทั้งในความคิดการพูดจาและการกระทาไม่ว่าอะไรที่เธอประสบล้วนเป็นการรับรู้ที่ลวงหลอกดังนั้นจงพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งที่ปรากฏล้วนมิได้จริงแท้สิ่งที่เธอควรจะฝึกฝนให้มากคือตัดการหลงยึดติด ในความเป็นตัวเธอดังนั้นจงขจัดผีร้ายแห่งความเห็นแก่ตัวเสียสิ่งที่เธอควรจะมอบให้คือความสุขของผู้อื่นดังนั้นจงปกป้องสรรพสัตว์ทั้งหลายราวกับบุตรของตนสิ่งที่เธอควรรู้แจ้งคือทิฏฐิดังนั้น จงตระหนกรู้ให้เท่าทันว่าสังสารวัฏและนิพพานนั้นคือธรรมชาติดั้งเดิมสิ่งที่เธอควรขจัดคืออุปสรรคต่างๆดังนั้นจงรับรู้เรื่องไร้ๆทั้งหลายนั้นให้เป็นดั่งเครื่องช่วยสิ่งที่เธอควรจะบรรลุคือพุทธภาวะดังนั้นจงแจ้งชัดในกายทั้งสาม เมื่อเธอมีคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้จิตใจของเธอจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมแต่คนส่วนมากมักจะไม่ยอมดำเนินตามทางแห่งการบรรลุหลุดพ้นให้สมบูรณ์หนทางดำเนิน โซเกียวเมื่อพุทธศาสนาใกล้จะสูญสิ้นจะมีชนชาวที่เบตมากมายที่ปรารถนาจะบรรลุสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุดแต่พวกเขาจำเป็นต้องรู้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแต่ก็จะมีน้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จเมื่อถึงเวลานั้นหากพวกเขาฟังคำแนะนำเหล่านี้ เขาย่อมมีทางที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เธออาจจะทุ่มเทตนด้วยความภาคเพียนอุตสาหะอย่างเต็มที่แต่ตราบใดที่เธอยังพำนักอาศัยอยู่ในเมืองเธอไม่มีทางที่จะหนีพ้นอำนาจปีศาจร้ายแห่งอุปสรรคทั้งหลายไปได้ดังนั้นหากเธอปรารถนาที่จะบรรลุผลโดยเร็ว จงอาศัยอยู่ในที่วิเวกตามป่าเขาเธอเธออาจจะเข้าใจชัดในวิถีทางแห่งมหายานแต่หากตัวเธอเองยังไม่สมบูรณ์พร้อมมันก็ต้องใช้ความแข็งขันอย่างมากในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขดังนั้นจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในตัวเธอก่อน เธออาจจะมีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายอันแท้จริงแต่หากเธอไม่มีความชำนาญที่จะนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วล่ะก็เธอก็ยังคงตกไปสู่พิษทั้งห้าแบบคนทั่วๆไปได้ดังนั้นจงละทิ้งเรื่องโลกโลกเสียเถิดเธออาจจะดำเนินตามการปฏิบัติซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องของธรรม แต่ถ้าเธอคลาดจากปณิธานแห่งโพธิสัตว์เธอก็จะไหลลงสู่วิถีทางแบบคนในโลกอีกดังนั้นจงละโลกธรรมทั้งแปดเสียเธออาจจะได้รับความเมตตากรุณาจากคุรุผู้เลิศของเธอแต่หากว่าเธอไม่ละทิ้งเรื่องโลกโลกเสียเธอก็จะไม่สามารถตัดขาดแรงยึดเหนี่ยวในเรื่องเพื่อนฝูงและศัตรูได้ ดังนั้นจงเลิกยึดติดในธทำคู่แห่งความเป็นตัวตนของเธอและผู้อื่นเสียเธออาจจะได้รับคำสอนอันลึกซึ้งสูงสุดแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวมันไม่อาจขจัดอุปสรรคทั้งหลายของเธอออกไปได้หากเธอไม่ขยันหมั่นเพียร น, นำมันมาปฏิบัติดังนั้นจงใช้กุศโลบายอันเลิศทั้งหลายนั้น เพื่อการพัฒนาตนเธออาจจะตั้งมั่นได้ดีในระหว่างการภาวนาแต่หากเธอไม่สามารถที่จะจัดการกับสิ่งรบกวนทั้งหลายบนหนทางได้มันก็จะไม่สามารถตัดขาดอนุสัยอาสวะอันทรงพลังที่เธอคุ้นเคยไปได้ดังนั้นจงตั้งมั่นอยู่บนธรรมชาติเดิมแท้ที่เธอประสบมาในช่วงการภาวนา ในระหว่างการเรียนรู้ในช่วงภายหลังการภาวนาการปฏิบัติที่มากไปถ้วยความเห็นนั้นย่อมไม่มีวันจบลงได้หากเธอไม่ผ่อนคลายสลายความทยานอยากทั้งหลายลงสู่สภาวะแห่งการไร้ซึ่งความเห็นใดๆมันกลับจะยิ่งสร้างความหวังและความกลัวในผลต่างๆของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น ดังนั้นจงคลายปมแห่งความยึดติดในความหมายแห่งทมคู่ทั้งปวงออกเสียแม้ว่าความรู้ในพระสูตรและตันตระของเธออาจจะลึกซึ้งกว้างขวางแต่หากเธอไม่สามารถแจ้งชัดในสภาวะธรรมชาติของจิตเธอเธอก็ยังคงเป็นสามัญชนธรรมดาในยามที่จิตจะออกจากร่างนี้ไป ดังนั้นจงตระหนักรู้เท่าทันในธรรมชาติที่แท้จริงของการปฏิบัติเธออาจมุ่งหวังในผลอันสูงสุดแต่หากเธอไม่ดำรงตนให้ควรค่าสำหรับสมายาแล้วเธอก็จะแสดงความลำเอียงชอบใจต่อองค์ยิดแดงองค์หนึ่งเป็นพิเศษดังนั้นจงรักษาสมายาของเธอให้บริสุทธิ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆผู้ที่เข้าสู่พุทธธรรมแต่ไม่ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับธรรมทั้งในพระสูตรและตันตระและคำสอนของผู้ ร, รู้ของตนเขาย่อมจะไม่มีวันพบความสุขแต่หากพวกเขาน้อมฟังคำแนะนำทั้งหลายนี้ของฉันปัทมะสัมภาวะพระบรมครูแห่งอุทิยาน พวกเขาก็จะพบกับความสุขในชาตินี้และความเบิกบานในชาติถัดๆไปในยุคเสื่อมโซเกีย so วในช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายของยุคสุดท้ายผู้คนจะประสบกับความทุกข์ทรมานดังนี้ กฎต่างๆของกษัตริย์จะหมดความหมายลงดุจพระอาทิตย์อัสดงและคุณธรรมทางศาสนาของประชาชนของพระองค์จะเสื่อมถอยราวกับปมไหมที่หลุดออกการศึกษาและการสอนธรรมทั่วทั้งโลกจะจางหายราวกับเกล็ดหิมะที่ตกลงบนน้ำผู้คนที่ยังคงดำเนินการภาวนา และศึกษาพิจารณาอยู่จะหายากราวกับดวงดาวยามใกล้รุง่งครูรูปผู้ประเสริฐผู้ปรารถนาจะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นจะหายไปราวกับก้อนหินที่ถูกโยนลงบ่อน้ำและหมูสัตว์นานาพันธ์จะถูกทำลายจนหมดสิ้นราวกับพืชผลที่ถูกเก็บเกี่ยวจะเหลือก็เพียง เรื่องราวจากคนรุ่นก่อนเท่านั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นดังเรือและสะพานจะจมหายไปในสายน้ำแห่งเครื่องผูกมัดอันยิ่งใหญ่ผู้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีจะสูญหายไปราวกับหญ้าและพุ่มไม้ที่ถูกพายุพัดกวาดจนเกลี้ยงและคำสอนของพระพุทธเจ้าสากยมุนี จะเลือนลางราวกับเงายามสนธยาเมื่อยุคนั้นมาถึงคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาของเธอจะกลับถูกได้ยินเป็นคำว่ากล่าวและด่าทออย่างรุนแรงหากเธอบอกให้คนอื่นปฏิบททัติธรรมพวกเขาก็จะตอบว่าก็ไปทำเองสิ เมื่อสอนเรื่องพุทธจิตพวกเขาก็จะใส่แรงทำเป็นว่าเข้าใจในขณะที่เขากลับหลงประเด็นเมื่อสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพวกเขาก็จะพูดว่ามันไม่จริงมันไม่ถูกต้องเมื่อถึงเวลานั้นผู้คนจะฆ่ากันราวกับเป็นวิถีชีวิตปกติ เขาจะทําการค้าด้วยการช่อโกงเอารัดเอาเปรียบพวกเขาจะอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเองพวกเขาจะฆ่ากันได้เพียงเพื่อผลประโยชน์และหลงหมกมุ่นในกามอย่างวิปริตการสะสมข้าของเครื่องใช้และทรัพย์สมบัติคือเป้าหมายหลักของทุกคน พวกเขาจะฆ่าสัตว์โดยอ้างว่าเพื่อการาศาสนาและกลับนำมันมาเฉลิมฉลองสิ่งเหล่านี้ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาของมันเมื่อเวลานั้นมาถึงคนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของฉันเท่านั้นที่จะยังประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ที่เป็นชนรุ่นหลังที่ได้รับการกำหนดไว้ดังนั้นเธอโซเกียวแห่งคาเชนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นในอนาคตเธอจงจดบันทึกสิ่งเหล่านี้และเก็บรักษาไว้ให้ดีดุดสมบัติอันล้ำค่าเธอ